ดีกว <c ười> ่ามันยับยุบยับยังไงดีเป็นกรเป็นนางลุบลุบเปนนถ้าาเื่อ เป็นลูก ก็ได้เปิดดิม่บบะฮะก็ว่าให้สัญญาเงินก้น อ, นอนเงิหน่อยตีดเงินหนอยตี คุณกุลาดำนำทวีโซอยากฟังเรื่องมานในจิตใจครับอคุณกุลาดำเลงนอะไรละมันเล่นอะไรละมัน เซ็ตไหมเดีย๋ยวพูดไปไ ม, ไม่มีเสียงยังไง ผงกาจะให้ขึ้นชกแทนหรือแล้วก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร <c oughs> อะไรก็พูดเป็นมลละมเลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร คนดูยัง ใ, ใครเข้ามาได้แชร์ไปนะให้เป็นแชร์ไปนะแล้นี้ ใ, นใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาไว้ใครมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติ ไม่เหมือนพูดกับพระมันมันไม่เหมือนพูดกับพระเวลาเราคุยกับพระนี่เรามานันมากเลยนะแต่พอมานั่งคุยเนี่ยมันไม่มีกระแสะมาต้อง คำถามนะลองคำถามถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาจัวหัวได้ไหม่ง่ายแค่้เล<ะ> <ทะ S 1> ว่า <ทะ S 1> ไปเห็นทะเลครั้งใหญอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอยู่ในไทยเราไม่เคยเห็นทะเลเราไปเห็นทะเลครั้ง่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มา ความนักอยู่ดินทะเลเล ย, ม, ยมาความนักความมาพักที่ที่ริมทะเลที่บ้านโยมเขาว่าความสุขบางคนบางคนว่ามาเที่ยวทะเลแล้วมีความสุขเห็นไหมเพราเขาคิดว่าความสุขอยู่ที่ทะเล แต่เราว่าอคนอยู่ทะเลมันก็ทุกข์เหมือนกันนะนั่นก็แสดงว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ทะเลจริงๆเ็นไหก็ส่วนมากคนก็เวลาทุกข์ๆก็จะออกมาทะเลมาหาแรงมาแรงใจบ้างมันอพอใจเลยหรอกอมันพอใจที่จะมาทะเลอะพอใจที่จะเที่ยวทะเลมันถึงมีความสุขพอใจตรงไหนมันก็มีความสุข มีเงินเป็นร้อยล้านมันไม่พอใจมันก็ไม่มีความไม่มีเงินเลยถ้ามันพอใจมันก็มีความนั่งอยู่เฉยมันก็มีความสุขได้ถ้ามันพอใจเรามีคุณนรัตตะครับอืเรื่องที่บาคัมดีไลน์ให้ฟังหน่อยค่ะที่บาก วิบากกรรมคําว่าวิบากกรรมเนี่ยคือกายนี่แหละมีกายนี่มันถึงมีมีวิบากกรรมได้เหมือนมีกายมันก็ต้องเจ็บอย่เงี้ยเนี่ยวิบากวิบากของกายนี่คือคำว่าวิบากกรรมส่วนใหญ่มันทุกข์เพราะสิ่งที่มันทําไปสิ่งที่มันไม่เคยทําไว้มันไม่ทุกข์ เราจะหมายเอาคําว่าวิบากคือคนอื่นมาทำเราถูกไหมเราจะหมายเอาคําว่าวิบากคือคนอื่นมาทำเรามาโกงเราเนี้ยมาโกงเรามาว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากแล้วเราจะหมายเอาตอนนั้นเป็นวิบากมันก็มันก็ถูกอยู่ น, นะแต่ไม่ถูกทั้งหมดถูกอยู่แต่ไม่ถูกทั้งหมด มันจึงเป็นเพียงแค่วิบากขั น, ะนะ <c oughs> ท่นานนะอยากคุณแค่ยนัฐครับสอบถามค่ะผอาจารย์การใช้ชีวิตคารวะที่ต้องคิดวางแผนอยู่ ทำยังไงให้ชีวิตสมดุลวางจิตยอย่างไรดีแต่ขณะนี้ก็รู้ซื้ออยู่สาธุรู้อะไรนะรู้ซืซอครับที่จริงชีวิตเราเนี่ยดำเนินด้วยปัญหาเท้านั้นแหละเราไม่เคยคิดด้วยสติปัญญาที่แท้จริงแต่เราคิดตามอำนาจของความหยาดของเราทั้งนั้น พอ เ, เราถูกเราถูกฝึกมาอย่างนั้นไงตั้งแต่เด็กจนโตให้มีความหวังให้มีความอยากไปที่ตั้งมีความหวังหวังว่าจะเป็นนั่นจะเป็นนี่จะทํานั่นจะทํานี่ไอความหวังเนี่ยมันมาจากตัณหาเพราะมันอยากได้มันจึงอยากมีอยากเป็นที่ตัณหาเราจึงถูกตัณหานี่เป็นฝ่ายนำตลอดเวลาแต่ว่า ไม่มีใครสำเร็จได้ด้วยความหวังแต่ที่มันสำเร็จได้เพราะมันทามันลงมือทำไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นนี่เห็นหความสำเร็จจริงไม่ได้อยู่กับกับความหวังหรือความอยากอะไรทั้งนั้นบางคนไม่อยากแต่มันทำมันก็ได้ผลมันทำไปงั้นแต่มันก็ได้ผลของมันเพราะมันมีเหตุของมันอยู่แล้ว มันจึงไม่เกี่ยวกับกับความอยากนะคนที่ทําด้วยสติด้วยปัญญาจึงทำการงานหรือใช้ชีวิตอยู่ทางทางโลกเนี่ยได้อย่างที่ไม่ทุกข์ทุกข์น้อยมากแต่คนที่ทําด้วยความอยากพอไม่ได้ดั่งใจที่มันอยากมันริ้นทุกข์มีการใช้ชีวิตถ้าเราลองใช้ดําเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาอาศัยศีลเป็นบาดถาม อาศัยการภาวนาหลอ่อเลี้ยงใจแล้วการงานของเราเนี่ยมันจะเป็นการคิดการกระทําด้วยสติปัญญามันจะฉลาดมากขึ้นมันจะละเอียดมากขึ้นงานก็สำเร็จบริบูรณ์มากขึ้นทําด้วยไม่หวังอนี่ยทําทำไยทําด้วยไม่หวังวันจึงไม่ผิดหวัง ทำแบบไม่คาดหวังเหมือนเราให้ทานเขาไม่คาดหวังให้ไปแค่ถือว่าได้ให้ก็จบแล้วไม่ได้หวังว่าเขาต้องมายกยอรเราชมเชยเราไม่ได้หวังว่าเขาต้องมาว่าเราดีเราเลิกเราให้ไปให้ด้วยความเขาเรียกว่าความพอใจในการให้ให้ด้วยการฝึกขัดจิตขัดใจยิ่งมันไม่อยากให้ยิ่งให้มันจะเป็นการฝึกตนการฝึก การฝุกจริงๆคือการขัดใ จ, ไ ม, ใมมใจ ไ, ดไม่ใช่ทําตามใจเองไม่ใช่ทําตามความอยากต่เป็นการขัดใจเ้วยจริงๆเรียกว่าการฝึกปฏิบัติที่เกียดก็ทําขยันก็ทำบาร์าเขาถามเรื่องปัญญามาครับปัญญาของอุทิชชนกับอริยะชนนี่มันมันแตกต่างกันยังไงอ คำว่าปัญญาเนี่ยนะมันมีหลายระดับมากปัญญาทางโลกเนี่เป็นไปเพื่อเอาถูกไหมเราจะแหวงหาเพื่อเอานี่คือของโลกแต่สำหรับนักปฏิบัตินักภาวนาเนี่ยปัญญาฉลาดในการวางคือการสะอาดออกการไม่เอาไม่มีไม่เป็นมันต่างกันนะมันสวนกลางเลยนี่แหละ โลกเอาทําไม่เอามันเสวนกันตรงนี้ไม่ไม่ไม่ญญไม่ถึงละอะไรครับใช่ทําเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่เอายิ่งละได้มากเท่าไหร่ยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านะั้นละอะไรละตัญหาละความพอใจความไม่พอใจรู้คุณรู้โทษรู้อะไรเป็นเป็นคุณรู้อะไรเป็นประโยชน์รู้อะไรเป็นโทษรู้อะไรเป็นภัยอย่าเงี่ย ปัญญาของโลกนี่เอาอย่างเดียวทํำยังไงถึงจะได้ให้มากๆมากๆมากๆแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยทําอย่างไรถึงจะขัดใจตัวเองได้ยิ่งมันอยากได้ยิ่งไม่ให้มันอยากมียิ่งไม่ให้มีมันอยากเป็นไม่ให้มันเป็นขัดก็เรียก ว, ว่าขัดฝืนทวนกระแสมันจะได้มีคําว่าเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง จะไม่เอาตัวเราไปที่ตั้งมันจะเอาเอาธรรมเป็นที่ตั้งคืเอเ อ, เ, เอาประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นที่ตั้งยกตัว อ, อย่างมีพระรูปหนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์กับพระรูปนึงเป็นลูกศิษย์สองคนเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์และเป็นลูกศิษย์กันเป็นผู้มีธรรมทั้งสอง คนหนึงบอกว่าฉันข้าวแล้วเนี่ยให้พาหมูคณะมาลื้อกุฏิทิ้งแต่ไม่ให้พวกที่มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันไม่ปฏิบัติธรรมมันมาอยู่มากิ น, นเฉยมาคุยกั น, นเฉยเห็นไมท่านจะไล่นี้หมดและวฉันข้าวแล้วให้พาหมูคณะมาลื้อกุฏิทิ้งทีนี้คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย พอได้ยิมอย่างนันปุ๊บฐานเข้าวเสร็จก็หมู่คณะเขาเตรียมจอบเตรียมนีดเตรียมค้อนเตรียมอะไรมาหมดแล้วเพื่อที่จะรื้อกุติท่านก็ไล่หมู่คณะว่าท่านอยภาวนาเลยเดี๋ยวผมจัดการเองพุติไม่กี่หลังเองดี๋ยวผมลื้อเองผมจัดการเองหมู่คณะก็ว่าท่านจะทําได้ยังไงมันเป็นงานที่ใหญ่มากนะการลื้อกุติเนี่ยผมมันมันหลายหลังมากบอกผมทําได้ผมจะรับผิดชอบเองทีนี้ลุกศิคนนี้ก็เลยเข้าไป็นหาอาจารย์ ก็ไปไปกราบอาจารย์ว่าพออาจารย์เห็นหน้าปุ๊บอาจารย์จึงถามว่าอ้าแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนทํำไมไม่มาเราสั่งไปแล้วให้มาลื้อกุฏิท่านก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไหนไก็จะลื้อไหนไหนก็จะไม่เอาแล้วเผาทิ้งเลยจะไม่ให้ใครอยู่แล้วเผาทิ้งเลยอาจารย์ก็ว่าเอ้าถ้าท่านเผาทิ้งแล้วเวลา คนจะมาอยู่เราจะเอาไม้ไหนมาสร้างใหม่เห็นไหมอาจารย์พูดมาอย่างนี้พอรู้สีได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็สวนกลับไปเลยว่าอ้าวในเมื่อจะสร้างอยู่จะลื้ทิ้งทําไมให้มันเสียให้มันเหนื่อยเห็นไหมให้มันเสียเวลาให้มันเสียกําลังของหมู่คณะเนี่ยเห็นไหมพออาจารย์ได้ยินอย่างนั้นปุ๊บลงลงทำท่านก็ยิ้มออกมาเลยเออท่้นก็แยกงย้ยยาย เห็นไหมอาจารย์ก็ไม่ได้เอาความเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้ยึดว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์แล้วต้องทําตามคําสั่งของครูบาอาจารย์เท่านั้นนี่คือคําว่าผู้มีธําสนทนากันจะเอาประโยชน์กันที่ตั้งจะไม่ได้เอาความเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะต่างคนต่างมีความเห็นทั้งสองฝ่ายเราาียกว่าอาศัยคุยกันด้วยคุณธรรมคุยกันด้วยเพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแต่โลกนั้ไม่ใช่ โลกจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความเห็นตัวเองเนที่ตั้งกูถู ก, กเสมอคนที่เห็นต่างคิดเสมอมันจึงได้ทะเลาะกันทะเลาะแล้วไม่ยอมลงกันเพราะต่างคนต่างมีเหวี่ยงและผลของตัวเองไม่ได้เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพยายามให้ทุกคนต้องยอมรับตัวเองให้ได้เนี่ยโลกเป็นอย่างนี้ธทําทเป็นอย่างนี้เข้าใจนะท่านผู้นี้ กูบาครับเวลานั่งสมาธิแล้งวง่วงมากจะต้องทอํายังไงครับอะไรนะคุณสมจิตถามเวลานั่งสมาธิรถถู้สึกง่วงมากครับจะต้องทอํายังไงครับมันต้องสังเกตตัวเองให้ดีเวลาเวลาฝึกปฏิบัติสมาธิเนี่ยต้องสังเกตตัวเองให้ดีอาหารกินเยอะเกินไปง่วงแน่นอนทำหวานเยอะเกินไปง่วงแน่นอนเใช่ไหม ฉันอิ่มเกินไปง่วงแน่นอนต้องสังเกตตัวเองให้ดีในเรื่องของอาหารหนึ่งแหลอาหารสำคัญมากสองเวลาช่วงเวลาที่มันมันมันเคยจะนอนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำตอนที่เราจะกำลังจะนอนอนย่อางไงมันก็ง่วงเห็นแต่เวลาชีวิตปกติเนี่ยเราไม่ทำเลยเวลามันไม่ง่วง อ, น อ, น อ, ยอย่าเช่นเรานอนตื่นใหม่ๆเนี้ยปุ๊บไปล้างหน้าแปรงฟันให้มันเรียบร้อยออกมาเดินเดี่ยเส้นเดยวสายเห็นไหมแล้วค่อยนมันต้องดูเวลาฝืนนี่คือฝึกใหม่ว่าเป็นอย่างนั้นหรือถ้ามันง่วงก็นุกเดิ น, ม น, ม น, นดมไม่ใช่มันนั่งอย่างเดียวการฝึกสมาธิไม่ใช่อาศัยการนั่งเียงอย่างเดียว เราจะถือออกกามนั่งเนี่ยเป็นสมาธิไม่ได้เพราะคำว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตมันไม่ใช่เรื่องของใจาบางคนนั่งหลับหบูหลับตาอยู่เนี่ยเห็นนั่งหลับตาอยู่ว่าไดวเองนั่งสมาธิแต่ใจมันคิดไ ป, น, น, ดปนู่นคิดไปนี่เขาเรียกว่านั่งคิดมันไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งสมาธิเล ย, ยาบางคนนั่งดูบุรีอยู่เอ็ดูลมหายใจ คนอย่งเนี้ยเป็นการฝึกสมาธิไม่ใช่การนั่งคู่บันลังมือขวาพับมือซ้ายหลับตาต้องถือกิริยาข้างในเท่านั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิได้สติจะเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ อ, อาจัยลมหายใจเนี่ยเป็นตัวรู้คำว่าสติ น, น, น, นี่คือระลึกรู้เห็นไหม สัมปชัญญะคือรู้เดี๋ยเช่นว่าลมยาวก็รู้ว่าลมยาวนี่คือสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นคําว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยยิ่งหมายความว่ารู้ทั้งลมและอาการของลมเข้าใจไหมมันคิดปบรู้ว่ามันคิดนี่นนนคือสติสัมปชัญญะนี่แหละคำว่าสติสัมปชัญญะมีความเป็นลุรู้ตั้งมั่นอยู่รู้เหตุการณ์รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้น ยิงจะเลี้ยวได้ว่าเป็นสติของมัทยภาพเป็นเรื่องของติดเป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรื่องของจายการเดินการเหวีน่นเป็นท่าหายใจความรู้แนบอยู่ที่ลมหายใจนั่นเป็นการเจริญสมาธิเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่มันยังไม่เป็นสมาธิคําว่าสมาธินี่คือผลของการเจริญสติการรู้ลมหายใจเข้าทุกขณนะทุกขณนะทุกขณนะทุกขณนะต่อเ น, นื่องเป็นสายยาว เขาเรียกว่าความตั้งมั่นของสติตจึงเกิดเป็นผลคือสมาธิคาว่าสมาธินี่คือความตั้งมั่นนี่แหละคาว่าสมาธิเห็นไหมเขาถามว่าอะไรน่นลืมไปไหนเมึม่อกี้งว่วงง่งวงเหรอง่วงอ่าครับก็คือลองเปลี่ยนทิศระบดเปลี่ยนเวลาอาหารการกินใช่ไหมครับใับดูสังเกตดูทีนี้พอมันงว่วง ถ้ามันมีสติแล้วมันง่วงมันยังง่วงอยู่พริวัาสติอ่อนกําลังให้ดึงลมสั้นดึงลมหนักสั้นออกสั้นเข้าสั้นลมหนักหนักถ้าเราเปลี่ยนลมเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เป็นเป็นปกติปุ๊บมันจะง่วงทีกเพราะความเคยชินในลมนั้นถ้ารู้สึกว่าง่วงเมื่อไหร่ปุ๊บเปลี่ยนวิธีลมไหมหายใจสั้นหนักหายใจออกสั้นหนัก เข้าสั้นนะขออกสั้นนะคอามลมมันเปลี match, ่ยนปุ๊บติมันจะตั้งขึ้นมาเพราะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยสัมผัสนี่แล้วความง่วงนั่นก็จะหายไปเปลี่ยนลมถ้าลมเบาเมื่อไหนนะ bao, ร, ร่นะลมเบาลมเป็นปกติเมื่อไหร่มันจะง่วงใหรือถ้ามันเอาไว้ไหวจริงก็พกทิชทิชไว้ทิชสบไว้สักเม็ดไหง มันง่วงปุกบกับเลยดูที่มันจะง่วงอยู่ไหมที่ทํามาแล้วดขนาดเดินอยู่มันยังง่วงได้เลยอ่ะคนเดินมันง่วงได้ที่ไหนล่ะพราะเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอี่เนี่ยมันง่วงขนาดเดินตรงกลมอยู่มันยังง่วงพอมันง่วงปุกเราก็มีพลิกเล็กนึงแล้วกับพลิกแค่คําเดียวนั่นล่ะตาสว่างเลยไม่ง่วงเนี่ยวิธีแก้ต้องฉลาดด้วย ต้องฉลาดส่วนใหญ่มันนั่งแล้วมันเคลิ้มหลับเป็นสมาธิหลับสมาธิหัวต่อนั่งเฉยแต่ไม่มีสติเลยมันจึงไม่จเจริญไม่พัฒนาจากคุณประยูนครับ ่ากับสอบถามคูบาจะทํายังไงให้สติเนี่ยกับลมและลมวิ่งเข้าออกชัดๆครับเห็นลมชัดๆครับมันมันเขาเรียกว่ามันต้องอาศัยความฝึกอย่างต่อเนื่องคูบาเขาถามกลับหน่อยว่าเราฝึกอ่านหนังสือเนี่ยเ ป, ปเป็นไปได้ไหมว่าเรา ฝึกวันเดียวแล้วก็อ่านได้เราฝึกเดินเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราฝึกวันเดียวแล้วจะเดินได้เห็นมันเดินล้มแล้วมันลุกไหมมันเดินไปต๊ะแป๊ะแปมันล้มตึ่งไปเด็กน้อยน่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาอเดินแะแป๊ะแปไปก็ล้มตึ่งไป การฝึก ส, สติก็เหมือนกันมันต้องอาศัยความต่อเนื่องทำจนเป็นนิสัยขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทาอยู่ตลอดและรู้ได้ตอนไหนก็ทำความมันมันไม่ได้ใช้ความคิดคนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ใช้ความคิดหรอกเวลาทำการทำงานแค่ไม่ได้ใช้ความคิดแต่เราก็ไม่ไม่เคยกลับมาสนใจลมเลย เรามากกักจะเพลินไปแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บกลับมาอยู่กับความคิดเอ้ยกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยเห็นไหมนี่คือการเจริญสติอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องนอกรูปแบบนี่เขาเรียกว่านอกรูปแบบไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาทีนี้พอเสร็จกิจการงานทั้งหมดถือเอาเวลาพักผ่อนทีนี้ก็นั่งในรูปแบบ ในในรูปแบบเนี้ยจะได้ละเอียดกว่านอกรูปแบบคือเราใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติเนี่ยมันแค่ทรงสติเนั้แค่ระลึกหยุดบ้างคิดหยุดคิดได้บ้างคิดบ้างอยู่คิดบ้างอยู่แค่นั้นเองทำอยู่แค่นั้นแต่มันจะไม่ละเอียดแต่พอเรามันนั่งลงเมื่อไหร่ปุ๊บเห็นไหมมันจะละเอียดกว่ากันต้องสึกบ่อยๆุึกซ้ำๆซักซาก ขยันาก็ทำที่เกียร์ก็ทำทำทามากได้มากทำน้อยได้น้อยมันเป็นผลนะเหตุเท่าไหล่ผลเท่านั้นยูคาร์มั้ยครับคุบาจากคุณวิสิตครับกาบสากทูครั บ, บคุค บ, บ, คบาผมปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวร้อน ตัวผมถอดเสื้อนั่งได้ไหมครับได้สมัยกูบายังไม่บวชเราไปนั่งอยู่แถวบ้านป่าบ้านป่าบ้านป่านานะมันอยู่อตรงที่เขาทําเจดีเมื่อก่อนมันเป็นป่าอยู่มันยังไม่มีเจดีแล้วก็ไปกลางกดกลางกดอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึงพออยู่ในกดมันร้อนมาก เข้าไปในกดอะแล้วอากาศมันอบไม่มีลมไม่มีลมสักนิดเลยช่วงกลางคืนร้อนมากออกมาข้างนอกก็ยุงเยอะออกมาข้างนอกกฎก็เย็นหน่อยแต่ว่ายุงเยอะทีนี้มันก็เลยว่าเอาเลือกเอาสักอย่างจะเอาร้อนหรือเอายุงให้มันเลือกสักอย่างหนึง่งมันบอกว่าเอายุงปลอม พอไม่สู้ร้อนคนร้อมไม่ไหวมันบอกเลยเอายุ่งก็เลยมัดกดเก็บไว้นั่งไหนไหนก็เลือกยุ่งแล้วขอเสื้อมันกินเลยเห็นไหมขอเสื้อให้ยุ่งมันกินไปเล ย, ยนี่เราก็นั่งอยู่ในป่ากลางป่าย่างก็ขอเสื้อนั่งเหมือนกันทำได้ทําได้หมด ถ้ากายมันพอเบาสบายขึ้นมาบ้างถ้ามันคลายความร้อนได้บ้างใจมันก็ไม่กระวนกระวายมากเท่าไหร่ถ้าอันนี้คือหมายเอาความสงบเป็นเป็นที่ตั้งนะเอาความสงบเป็นที่ตั้งเป็นการฝึกสมถากทําได้หมดเลยจะถอดเสื้อจะใส่เสื้อไม่ไม่เกี่ยวกันมีคำถามเยอะมากนะครับครณบาฮัม ทำไมตอนนั่งสมาธิแล้วปวดบ่าพอตื่นน้ำลายแล้วสติหลุดคุณเ็นจวันครับอะไรน ะ, ะเวลานั่งสมาธิแล้วปวดบ่าพอตื่นน้ำลายแล้วสติหลุดครับเราอย่าหมายเอาสติเพียงแค่แค่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้นะอย่าลืมนะว่าสติคือการระลึกรู้ถ้ามันรู้ว่ามันคือนน้ำลายอยู่นั่นน่ะก็คือว่ามีสติอยู่ เข้าใจไหมเวลาคืนน้ําลายปุ๊บมันอาจจะมาอยู่ที่การคืนน้ำลายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจถูกไหมพอลมหายใจเราไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจปุ๊บเราก็ว่าสติเราขาดแต่ที่จริงเนี่ยเราจะเป็นคนกําหนดรู้การคืนน้ำลายเห็นไหมทำบ้าและลึกรู้สติรู้ว่าคืนน้ำลายก็สั่งบาลานย์ย่าพอคืนน้ำลายเสร็จปุ๊ บ, บ, บญญนนเรา ก, ก, กลับไปรู้ลมเหมือนเดิม จิ่งมันไม่ได้ขาดนะถ้าเป็นอะไรลักษณะนี้นะไม่ได้ขาดแต่ถ้ามันเผลอเมื่มอไหร่นะเรียกว่าขาดทําด้วยความไม่ระมัดระวังกืนด้วยสัญชาตญาณไม่รู้ด้วยว่าตัวเองกืนน้ำลายคนะือกืนด้วยสัญชาตญาณเพราะนีว่าทำด้วยสันดานอนะ่ะทำด้วยนิสัยไม่ได้กดําหนดระลึกรู้อะไรทนะั้งนั้น เพราะวสติขาดคือรู้มันคิดเผลอไปนู่นนี่ถึงเรขาดจริงๆแต่ถ้าขาดไปที่มันรู้อยู่ในสิ่งที่มันทําในสิ่งที่มันเป็นเป็นผู้กําหนดรู้อยู่และลึกอยู่นั่นไม่ใช่สติขาดมันหมายถึงว่าขี่น้ำลไยก็รู้ว่าขีน่น้ำลาอย่างนี้ใช่มครัแค่นั้นเลยแค่นั้นเองขยับก็รู้ว่าขยับพอขยับเสร็จปุ๊บกอกกลับมาที่ลมหายใจ มันเหมือนความคิดเลยไม่ต่างกันความคิดผุดขึ้นรู้ความคิดกลับมาที่ลมเหมือนกันแต่อย่าไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรเพียงแค่รู้ว่ามคิดปุ๊บกลับมาที่ลมรู้ว่ามานคิดปุกบกลับมาที่ลมทําอยู่อย่างนี้จนมันไม่ส่งไปคิดเห็นไหมพอมันจะออกไปคิดปุ๊บมันจะรู้ทำก่อนมันก็ไม่ไปไทีนี้มันจะรู้พร้อมกัน ที่แรกทําใหม่ๆนะคนที่ฝึกสติใหม่ๆเนี่ยมันคิดแล้วค่อยรู้ถูกไหมมันคิดไปแล้วค่อยรู้มันคิดไปก่อนแล้วค่อยรู้จักและไอไอลมหายใจนี้ก็ไม่รู้จักด้วยคําบุริกรรมก็ไม่รู้เลยไม่ใช่มันหายนะแต่มันไปอยู่กับความคิดนี่เขาเรียกว่าสติขาดทีนี้ฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆจนมันเริ่มทํานานขึ้น คำบริการก็ยังอยู่ความคิดก็มีแฝงกันมาพร้อมกันแต่เห็นทั้งตัวเองพุโทโธและเห็นทั้งคิดพร้อมๆกันนี่เห็นไหมมันเริ่มทํากันแล้วแต่เพียงแค่มันยังยังหยุดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้แต่มันทำความคิดแล้วทั้งนี่พุโทโธก็รู้อยู่ลมหายใจนี้ก็รู้ อ, อยู่เนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ความคิดเกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจด้วยเห็นไหม มันมีอำนาจมากขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มทำนล้วเริ่มทำแล้วถ้าฝึกผู้อีกทีนี้ไอ้ตัวคิดเนี่ยจะไม่ปรากฏขึ้นเลยตัวคิดนี่จะไม่ปรากฏขึ้นจะมีสติจะมีสติตั้งมั่นขึ้นเขาเรียกว่าจิตมีกําลังบังคับให้จิตสติมีกําลังบังคับ ให้อยู่กับลมหายใจได้โดยไม่ส่งไปออกออกไปทางความคิดเลยเขาเรียกว่าควบคุมบัญชาการได้เราสามารถควบคุมความคิดเราสามารถควบคุมจิตได้พดง่ายเลยโดยใช้สตินั่นแหละกำกับจิตให้มันอยู่เพียงหน้าที่เดียวการงานเดียวคือลมหายใจหรือเพียงคําบริกรรมเท่านะั้นหายใจเข้าพูดหายใจออกทูลมันจะมีอยู่แค่นี้ มันจะไม่สามารถส่งไปคิดได้เลยนี่คือสติมีกำลังมากเนี่ยเนี่นทีนี้มันจะเห็นเลยเห็นเห็นพุโทโธเห็นไหมเห็นเห็นสัญญาพุโทโธเกิดขึ้นเห็นทั้งลมหายใจหายใจเข้าพูดเห็นรู้ด้วยหายใจออกโคล ร, รู้เห็นจะรู้อีกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ย ไปรู้จากคำบริกรรมและลมหายใจมันเริ่มมีตัวที่สามแล้วเห็นหั้ยนี่เขาเรียกว่าจิตมีกำลังมากแต่เห็นทั้งพุทโทและเห็นทั้งผู้ไปเห็นพุโทโธเนี่ยจิตมันจะมีกำลังมากมันจะเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นสัญญาทางานคือพุดโท เห็นจิตทํางานที่ตัวรู้พูดง่ายคือสติทํางานเห็นสมี ส, สติรู้อยู่แล้วก็มีพุทโธจะมีนนจนหนึ่งกระโหลกสองกระโหลงานด้วยเนี่ยเวลามีกําลังมากมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นขั้นเป็นขั้นไปมันจะเป็นขั้นนึ็นตอนไปจนมันสามารถสลัดสัญญาได้เห็นไหมพเพราะจิต ม, มันละเอียดเข้ามันจะสลัดสัญญา คำบริกรรมจะไม่ปากขดขึ้นไม่มีระลึกไม่ได้จิตจะเข้าถู่ความสงบจะมีความรู้สึกลมอยู่แต่ลมนั้นจะเบาบางมากลมจะบางลมจะเบากายเบาลมเบากายเบาความรู้สึกทางกายนี้นจะเบาเหมือนจะล่องลอยได้เพราะลมนั้นเบามากกายจะเริ่มเบอะ หูจได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างถ้ากำหนดได้ยินปุ๊บจะได้ยินแต่ถ้าไม่สนใจปุ๊บจะแทบไม่ได้ยินหรือไม่ได้ยินเลยพวามรู้ <c oughs> สึกทางกายเนี่ยจ ะ, จ, ะจะเบอร์ไปหมดแล้วแต่ถ้ากำหนดรู้กายปุ๊บกายก็จะเด่นขึ้นเห็นไหมแต่พอไม่สนใจปุ๊บความรู้สึกทางกายก็จะเบอไปเขาเรียกว่าจิตจะกระลัด ร่างกายเนี่ยคือในคนลูกความรู้สึกจะเบลอไปแต่ความรู้เรื่เด่นอยู่รู้ลมละเอียดเนี่รู้สามวี่สี่วี่หายใจครั้งหนึ่งจนแบบแทบไม่มีลมหายใจเลยทั้งที่มันหายใจอยู่แต่ลมแทบไม่มีและลึกไม่ได้ไม่ใช่เลื่ึนไม่ได้คือมันจับความสัมผัสของลมไม่ได้จับอาการลมเข้าไม่ได้จับอาการลมออกไม่ได้แต่รู้ว่า มันหายใจอยู่เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าลมลมหายไหมครับแต่นี่ยังไม่หายแต่เพียงแค่มันจับตรงที่มันสัมผัสไม่ได้คือกายมาือใจระงับช่วงที่กายมาือใจระงับนี่ลมจะบางมากจนทีนี้ไม่ไม่รู้เลยว่าหายใจหรือไม่หายใจนี่เอ๊หายใจหรือเปล่าพอมันเอ๊ะขึ้นมาเมื่อไหร่ตับ๊บลมจะมาทันทีนี่ ถ้ามีความรู้สึกเอ๊ะปุ๊บลมจะมาใหม่ๆจะเป็นจะเป็นกนุกคนเนะ่ยมันจะตกใจว่ามันมันหายใจอยู่หรือเปล่าแต่พอมันละเอียดเข้าไปอีกเนี่ยพอมันรู้แล้วว่าลมจะเข้าหรือจะออกจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ความรู้ว่าลมมันหายอยู่มันเด่นอยู่เห็นไหมแล้วใครละไปรู้ว่าลมหายนะ่ะไอ้เจ้เนี้ยมันเด่นอยู่รู้ว่าลมหายเห็นไหม ตัวนี้จึงเป็นตัวที่สติตามกํากับอีกเห็นไหมมนรู้ว่าลมหายเนี่ยถ้บทีนี้มันจะนิ้วเข้าไปนิ้วเข้าไมันจะดูดเข้าไปความรู้จะไปอยู่อีกอีกสภาวะหนึ่งจะปรากฏความสว่างขึ้นเห็นไหมคล้ายๆกับเราจะฝันเลยคล้ายๆกับเราหลับอะ่ะแต่ไม่ได้ฝันนะคล้ายๆกับเราเราหลับแต่เราไม่ได้หลับนะ มันมีความรู้อยู่ระหว่างตรงนี้มันจะขาดไปสองทางถ้ากายวิ่แล้วเนไปหมดปุ๊บมันจะหายไปหมดไออาการที่หายไปหมดเลยไม่มีความรู้ไดงนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอเนี้ย เ, ย, ยเรียกว่าครูบาเรียกว่าฌานลูสีหรือสมาธิหลับัอที่จริงมันมันไม่ได้หลับแต่มันหายหมด หรือจะเรียกว่าชามโลกีก็ได้อันนี้ตั้งเองนะเราตั้งชื่อเอง<ม>ตามอาการคือว่าในที่มันหายไปนั้นไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนส่วนใหญ่คนจะเป็นตัวนี้รู้ตัวอีกทีหนึ่งคือลืมตาขึ้นมาแล้วจะเกิดความสงสัยในตัวเองว่าหลับหรือเปล่าเน่น่เ่เมื่อกี้หลับหรือเปล่าเพราะมันระลึกกลับไปไม่พบอะไรเลยมันขาดพูดง่ายคือมันขาดไปแล้ว แต่มีความสบายเวลาออกมาที่ก็เบา้าสบายเหมือนกันสมาธิขั้นนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยแต่มีข้านนึงทีงนี้ข้างนี้เป็นเป็นสมาธิขั้นละเอียดใจนี้หายเหมือนกันลมหายลมระงับไปหมดลมไม่มีร่างกายนี้ก็ไม่มีหายจะปร า, ปปากฏความรู้อยู่ในความสว่าง บางบางที่ก็อยู่ในความมืดไหมบางที่ก็อยู่ในความมืดบางที่ก็อยู่ในความสว่าง <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะสว่างอย่างเดียวนะมันมืดด้วยเนี <c oughs> ่ยเพราปรากฏความรู้อยู่ในความสว่างอยู่อย่างนั้นบางคนเหมือนดวงตาเนี่ยจะอยู่ในแคปซูลดวงตาว่ามันเหมือนลูกลูกลูกดาตันบอล <c oughs> แต่ของครูบานี่จะเหมือนอยู่ในห้องสีขาว เหมือนจะไปนั better, gangs, songs, ่งไม่ใช่ว่าไปนั่งนะมีแค่ความรู้รู้อะไม่มีไม่มีรูปปรากฏดรูปก็เสนอบุคคลตักบุคคลไม่มีใช้ชื่อเรียกไม่ได้พูดง่คือมีแบบความรู้กับความสว่างหรือความมืดเท่านั้นนี่กบบความรู้สึกที่อยู่ข้างในนั้นอยู่ในความสว่างสวายอยู่งั้นเหมือนอยู่ในห้องสีขาวขาวโพลนไปหมดเลยใ้าบางทีก็เหมือนอยู่ในในภาพคิด ควรู้สึกเหมือนอยู่ในพระาทิตสว่างไว้หมดสว่างจ้าเหมือนอยู่ในพระอาทิตบางทีก็เหมือนอยู่ในอวกาศเหมือนอยู่ในอวกาศล่องลอยอยู่ในอวกาศอย่างนะเบาความเป็นตัวตนนี่ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นที่อยู่ในอวกาศบางทีก็อยู่เหมือนเหมือนอยู่บนท้องฟ้าล่องลอยเหมือนเหมือนติวลุ่นที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ความรู้สึกตอนนั้นนะอันนี้เปรียบเทียบความรู้สึกบางทีก็เหมือนเหมือนอยู่ในน้ําเหมือนปลาที่กําลังเล่นน้ําแแบบว่ายอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในน้ําควบคุมบัญชาการไม่ได้เพ้เอเพลินอยู่นะ่ า, บ, าบังคับอะไรไม่ได้เลยมันจะออกของมันเองถ้าไปถึงตอนนั้นแต่ถ้าละเอียดเข้าไปอีกสิ่งจะมีความรู้ อ, อยู่ถ้ามาันเรู้มันสว่างอยู่นะั้นรู้อยู่นะั้ สติมีกําลังมากขึ้นอย่พึ่งว่าสติขาดนะนี่สติยังไม่ได้ขาดถึงตรง น, น, นี้ตัวรู้นั่นแหะคือสติไม่ได้ขาดรู้อยู่คือมันยังมีมันยังมีความรู้อยู่แต่เพียงแค่มันบังคับบัญชาไม่ได้ทีนี้ท่านตามู้อนี้ปรื่อย เ, เรื่อยๆๆมันจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีไม่มีความสว่างไม่มีความมืด ยึดเข้าสู่ผาวังอันละเอียดลึกที่สุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แทบไม่เคยได้ยินแทบไม่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์พูดเลยตัวนี้เราประจักษ์มากาเพราะเราเห็นเองแต่ว่าสว่างก็ไม่ใช่แต่ว่ามืดก็ไม่ใช่จึงไร้ความจึงไร้ภาษาที่จะมาพูดเพราะไม่มีสมมุติตัวนี้จะมาพูดได้จะมีความรู้ที่มันเด่นหรือข้างในนะั้น มันจะครอบอยู่ข้งในนะั้นจนนุ่นจนถึงสภาวะจิตอิ่มอารมณ์คืออินในความสงบนั้นแ่ะเพราจิตมันอิ่มปุ๊บจิตจะถอนออกมาโดยธรรมชาติของมันจำไว้นะมันขอนเองไม่สามารถบางครั้งให้มันออกมาได้มันขอนเองแค่นั้นที่นี่ว่าจิตอิ่มอารมณ์เพราะมันขอนออกมาปุ๊ความรู้สึกทางกายจะปรากฏ ข, ขึ้นทั้งหมด ลมหายใจจะพากดขึ้นพูดง่ายจะติดกลับมาลมกับพันห้าเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่มันสงบมันมีกํลาลังอยู่นั้นมันจะไม่ส่งสายไปกับความคิดเหมือนเราเราตื่นนอนในใหม่อ่ะเหมือนเราตื่นนอนในใหม่เราสดชื่นมากเราก็มา น, นั่งอยู่เฉยเฉไม่คิดอะไรทั้งนั้นเหมือนกันพอจิต ม, มันอิ่มมาลมอย่างนั้นมันมันถอยออกมาอย่างนี้ กิจดังสงบอยู่สงบอยู่อีกหลายวันน่แหละความคิดผุดขึ้นจะเป็นผู้ดูความคิดโดยธรรมชาติจะไม่ได้เข้าไปเป็นความคิดจะเห็นความคิดเกิดขึ้นและความคิดก็เปลี่ยนเรื่องไปดับลงไปไจะเห็นสภาวาารเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดั บ, นด บ, นดบเนี่ย เห็นความใยา่ในใจที่มันดีดดิ้นไปมาปุ๊บแล้วก็ดับลงไปเรียกบาเรียกว่าวิปัสสนาการเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นจริงไม่ใช่การคิดการจินตนาการเข้าใจไหมเวทนาเกิดขึ้นตอนนั้นก็เห็นจริงจไม่ได้คิดเอาเข้าใจคำว่าเห็นจริงตามความเป็นจริงไหม ปวดจริงๆเนี่ยร่างกายปวดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นปุกบเห็นเวทนานั้นถพราะจิตมีกำลังมากจิไม่ไม่ไปแทรกแซงไม่ไม่ไปพยายามที่จะหยุดเวทนาเพราะตอนนั้นตันตัหาทำงานไม่ได้ไิมจิตจะเป็นธรรมชาติอของจิตไม่มีตันหาเขาไปแทรกแซงจิตไม่อยากหายมันจะไม่มีอาการอยากหายจากการเจ็บปวดนั้น มันจะดูอาการเจ็บปวดเฉยๆใช่ไหมชั่พักนึงความเจ็บปวดแล้วก็หายไปโดยธรรมชาติของมันเน <Yeah. S 1> ี่ยเพาะจิตสงบเพียงนั้นเองจึงเห็นอาการนี้อย่างแจ่มแจ้งอี่ยพูดถึงเรื่องความคิดเลยมันยังกระจอกไปมันเป็นผิดอาการเขาเรียกว่าไอ้เ น, นี่ยนิ่งอยู่จิตมีกําลังจากความสงบเองจึงมีม คำว่าสมาธิคือว่าจิตเป็นสมาธินิ่งอยู่คืงเห็นอาการที่มันสแสดงออกไปทั้งหมดของจิตเห็นไหมสิ่งที่มันสแสดงออกไปเนี่ยจะเห็นอาการออกมาทั้งหมดเลยแต่สงบหรือไม่สงบเห็นหคือรู้เฉยๆสิ่งใด้ี่ปากฏขึ้นเห็นหมดเลยรู้เฉยๆเนี่ยนเรียกว่าอาการรู้จิตที่ปรากฏขึ้น วา่ารับแล้วอาการนี้มันมันอยู่ในเห็นธรรมในธรรมด้เลยเห็นเห็นมันไม่ใช่เราอย่างนี้ถ้าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้การ <Mut. S 2> เห็นตามความจริงๆแหละ ก, กูเห็นธรรมในธรรมไม่ได้ด้นเดาไม่ได้คิดไม่ได้ฆ่ากระเนไม่ได้อ่านเอาเห็นไหมไม่ต้องไปคิดหาอะไรเลยเ<อ>ห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นก็เห็นมันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติตัวปัญหาปรากฏขึ้นก็เห็นว่าปาญหาเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มันยังมีอยู่เห็นไหม แต่จิตไม่ทําตามคือเรียกว่าใจเนี่ยไม่ทําตามเพราะใจนั้นเป็นสมาธิจึงไม่ถูกปัญหานั้นลากออกไปมันจึงเห็นว่าเออมันอยากก็อยากไปพอไปทำตามเสร็จปุ๊ควาอยกนั้นก็บดกำลังลงไปอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติแล้วจะเห็นตัญหาเกิดขึ้นปุ๊บความคิดก็เกิดขึ้นเรื่องเห็นความพิษเกิดขึ้นปุ๊บปัญหาเข้ามาสวมปุขึ้นมาก็มีเห็นไหมมันเกิดสืบเนื่องเผ่าพันกันอย่างนั้นมันมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ต่อหมือนเยื่อเป็นโคตาจักรของมันสิ่งนี้จะจะขาดลงไปได้เพราะกลำลังของสติเข้าไปจับปุ๊บเพราะสติจับปุ๊บเบรคสตินี้เป็นเหมือนเบรคหยุดปุ๊บ ก, การสืบต่อจึงไม่เกิดขึ้นเห็นไหมไม่ใช่เกิดการขาดการต่อเนื่องของความอยากเ <c ười> คยได้ยนินไหมครูบาอาจารย์บอกสมัยก่อนนี้คือว่ามีคนไปถามหลวงปู่ลี หลวงปู่หลวงปู่บวชมานี้เคยคิดอยากสึกไหมหลวงปู่บอกว่าเคยแล้วหลวงปู่ทำยังไงกูไม่ไปกับมันมันคิดอยู่แต่ไม่ไปตามมันนั่นพี่ก็ยืนยันได้ว่าท่านเห็นว่ามันคิดเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ทำตามเพราะท่านไม่ทำตามมันก็จบปัญหาเห็นไหมปัญหาทำงานต่อไม่ได้ขาดการสืบต่อจึงไม่เป็นผล ความทุกข์ก็จงดับลงไปจนไปเห็นก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเขาเรียกว่าเมื่อไม่หยิบแล้วจะวางอะไรเข้าใจไหมเมื่อไม่หยิบแล้วจะวางอะไรได้ไถ้าเราหยิบอยู่มันจึงต้องวางเรามีอยู่พราเราพราเราเราถืออยู่เรื่ยมันจึงต้องวางแต่ถ้าเราไม่ถือเลยไม่ต้องวางอะไรเลย มันต้องสติมันต้องทําก่อนจับด้วยซ้ำต้องรู้ต้องขลาดรู <What? S 2> ้ว่าน <Of course. S 1> ี่สิ่งนี้เป็นโทษต้องรู้ด้วยว่าไอ้เนี้ยทำาเงี้ยเป็นโทษนอะไรล่ะทุกข์มันคืออะไรล่ะฮทุกข์มันมาจากไหนคำสอนพทะเจ้าทั้งหมดเพื่อเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกขานั้นเองการเจริญสติเจริญสมาธิก็เพื่อค้นออกจากทุกขานั้นเอง ที่สุดค้นมันคือพ้นออกจากความทุกข์คือดับทุกข์ทุกนี้จะเป็นสงสําคัญแต่าะทุกเกิดขึ้นต้องเห็นว่าทุกข์เพราะอะไรด้วยต้องเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เพราะอะไรเรามากักจะไปโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์เราไม่เคยเห็นตัวเองว่าเพราะตัวเองนี่แหละอยากให้มันถูกใจเรา อยากให้มันถูกดังตัวใจเราเนี่ยพรเรายึดไปแล้วสิ่งที่เรายึดว่าดีเราจึงอยากให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เรายึดยึดอะไรก็อยากให้เป็นอันนั้นยิงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ถูกกับสิ่งตัวเองเชื่อเห็นไหมพอเรายึดตําราว่าอย่างนี้ถูกต้องคนที่พูดนอกตําราจึงผิดหมดเข้าใจมนั่นเป็นเียงตำรา แต่ไม่ใช่ประสบการณ์จริงเลยอย่าลืมนะ ว, ว่าอาริยสัจสีเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจ ด, ด้วยการจินตนาการเอาคนที่เรียนอริยสัจมาเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยไม่มีทางไม่งั้นคนที่เรียนจบนักธรรมต่างๆคงเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเขารู้หมดเลยว่าอาริยสัจสีคืออะไรไม่ อริยสัจสีจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีประสบการณ์ของเราเท่านั้นคือการปฏิบัติอย่างครูบาเนื้หมดอริยสัจสีสมัยสมัยเราท่องเราเรียนอยู่เราจำเราอยู่แต่เราไม่เคยเข้าถึงอริยสัจสีเลยวันที่เราแจ้งในอริยสัจสีคือวันที่เรากินข้าวเราฉันข้าวใครจะไปรู้หรอว่าฉันข้าวกา เข้าถึงอริยสักสี่ได้อย่างแจ่มแจ้งมีมมพระลูกหนึ่งเนี่ยบวช ด, ด้วยกันเนี่ยบวชใหม่ๆด้วยกันนี่แหละท่านตักข้าวเนี่ยครึ่งบาทตักลับอีกฝากอีกทีโดยที่เดชขึ้นขอบบาทพูดง่ายคือเกือบเต็มบาทในการตักข้าวนะั้นแค่เราเห็นท่านตักข้าวมากเนี่ย เราก็ทุกข์แล้วเพราะในตอนนั้นเรายึดในพระวินัยเป็นอย่างมากเราเป็นพระบวชใหม่เราเข้งในพระวินัยมากแต่เราไม่รู้ว่าพระวินัยนั้นเดินไปเพื่ออะไรแต่เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามพระวินัยแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติไปทําไมแต่รู้ว่าเป็นพระต้องปฏิบัติตามพระวินัยเข้าใจไหมเราจึงยึดพระวินัยนั้นเราจึงสําคัญว่าเราถูกต้องในพระวินัยแล้วเพราะเห็นคนอื่นทําผิดพระวินัย จึงไปตำหนิเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ปฏิบัติตามพระวินัยแทนที่จะเอาพระวินัย น, นั้นมารักษาตัวเองไม่ใช่แต่กลับไปตำหนิคนอื่นพรเห็นพระลูกนั้นตัดข้าวจนล้นบาตรท่นานตัดจนล้นบาตรผักมีชี้ออกมานอกขอบบาตรเลยเห็นเลยพอเราเห็นอย่างนั้นทุกบเราทุกข์แต่เราไม่ได้ไปตำหนิท่านนะ ไม่ได้พูดออกไปกเป็นด้วยคำพูดแต่ในใจนี่ยตำหนิตำหนิอย่างมากทุกข์จนจะกินข้าวไม่ลงด้วยซ้ำทุกข์มากมันเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเห็นไหมขาะว่าตัวเองมีสตินะั่นน่ะพอมันเผอรัดเดียวมันเอาเลยเป็นเรื่องเลยปล่อยมันตัดเดียวเองจะรู้เจอทีหนึ่งว่ามันทุกข์ไม่ไหวและเป็นอะไรมันถามตัวเองเป็นอะไรว่า คือไม่มีทางจะออกแล้วแก้ทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้เป็นอะไรวะทุกข์มันตอบตัวเองในในหัวใจหัวใจนี่นมันตอบตัวเองทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะท่านฉันข้าวไม่ถูกพระวินัยท่านทำไม่ถูกพระวินัยเนี่ยมันไปโทษท่านไงไปโทษภาพรูกนั้นก่อนเลยด้วยใจที่มันยังโง่อยู่ มันไปตำหนีคนอื่นก่อนเลยโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นจะตำหนีบุคคลอื่นก่อนเนี่ยเอ้าถ้าว่าท่านฉันไม่ขูกพระวินัยแล้วมันทุกข์จริงๆทำไมพระที่อยู่ด้วยกัน17็บเจ็บลกนี่ทำไมท่านไม่ทุกข์เลยเห็นไหมทำไมท่านยังฉันข้าเป็นปกติอยู่และที่สำคัญไอ้ตัวคนที่ทำผิดพระวินัยเอง ทำไมไม่ทุกเนี่ยมันทุกข้ออะไรกันแน่ล่ะเนี่ ย, ยถามตัวเองเนี่ยก็เริ่มมองมองย้อนกลับมาหาตัวเองว่าทุกข์เพราะไม่ถูกใจเรา เ, เริ่มมองเลยนะเริ่มมีคําว่าเราลนะเริ่มเห็นใจตัวเองละทุกข์เพราะไม่ถูกใจเรา เนี่ยถ้าะมันไม่ถูกใจเรามันเปทุกข์มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไหมเพรเรายึดแล้วไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรายึดเห็นไหมทุกทันทีเห็นไหมทุกเพราะท่านําไม่ถูกใจเรามันก็ได้คําตอบขึ้นมาว่ามีอะไรนี่แหละที่มันจะถูกใจเราไปทุกอย่างเห็นไหมมึงี่มึงหวังจะไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นให้ถูกใจเรา มึงจะทุกข์ไม่หยุดเลยเราไม่สามารถไปดัดแปลงสิ่งอื่นได้ไม่สามารถไปดับแปลงข้างนอกได้ไม่สามารถข้ามฝนหยุดตกได้ไม่ไม่สามารถข้ามแดดให้ไม่ออกได้ไม่มีทางถ้าเรามัวไปจัดการสิ่งข้างนอกให้มันถูกใจเราเสมอไปเราจะเป็นคนทุกข์ไม่รู้ตกเลยขนาดตัวเราเองเนี่ยทุกข์จะตายหายแล้วเนี่ย ยังไม่สามารถพาตัวเองพ้น<ช>ออกจากทุกข์นั้นได้เลยมันถูกใจตัวเองก็่เพื่อไหร่นะเนี่ยพอมนเห็นว่าโอ้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบัญชาการอะไรได้เลยจึงเห็นว่าชุกข์ที่แท้จริงเกิดจากความความอยากในใจแล้วนี่แหละพราเรายึดแล้วเป็นตัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นว่าเพราะปัญหานี่แหละทำให้เราทุกข์อยากให้มันถูกใจเรานี่แะ พอมาเห็นอย่างนั้นปู๊บเห็นใจมันวางโดยธรรมชาติของมันมันคายความทุกข์กันออกเลยความทุกข์ที่มันหนักหมองในหัวใจนี่้ายไปหมดเห็นไหม้ายไปนักขนาดนั้นตาก็ยังเห็นคนที่ท่านเสห็นพระฤาษีท่านฉันข้าวอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมท่านยังฉันเหมือนเดิมไม่เปลี่ ir like ยน э. right ยังฉ <seems like S 2> ันกัดกัดขวนกัดกัดกัดกัอยู่กัดดอยู่ตด้วย เพาใช้มือไม่ได้ใช้ช้อนเราใช้มือกินอย่างนี้มันติดมือไงดูดนิ้วด้วยเรากลับไม่ทุกเลยยิ่งตองย้ำมากว่าเอ้ความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจไหมความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยเถ้าทุกข์มันอยู่ข้างนอกจริงจริงมันก็ยังต้องทุกอยู่ตลอดเวลาถูกม มันเห็นทุกข์มันจึงเห็นสุขเช่นกันความสุขก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนี่แหละเราจึงแจ้งในอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้านทครับเราก็รู้ด้วยตัวเราเองเห็นไหมเนี่ยเรารู้ได้จิตในใจเราเองว่าเราทุกข์เหตุของทุกข์ที่แท้จริงเราก็รู้จักเพราะปัญหาที่มันมันอยากให้ถูกใจนี่เพราะมันมีใจอยู่มันอยากให้ถูกใจเป็นไปตามใจตัวเองเพราะมันยึดไว้แล้ว มันยึดมันยังอยากให้มันสุกสิ่งที่มันยึดไว้เี่อเรียกว่าตัญหาเหตของทุกข์รู้จักคือมันเกิดข้างในเนี่ยเกิดที่ใจนี่แหละไม่ได้เกิดที่อ WOW. no ื its, position, today, as as well. ่นเห็นไหมความขึ้นไปของทุกข์ความันวางแล้วมันเข้าใจตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นมันก็คายออกโดยธรรมชาติไม่ไบังไม่ได้เปนบังคัาให้มันคายเลยมันคายเองมันวางออกมันเองความหมดไปของทุกข์ก็รู้นะขนาดนั้น โอ้จริงรู้จากขานางในการปฏิบัติที่แจ้งนีนจุดเรียกว่ามาัดนี่แหละอริยสัจอริยสัจสีตัว น, นี้แหละทุกสมไทัยมีหมดมัดนี่แหละคือทางเดินในการที่เราจะปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติของเราหนึ่ง่ายมากเรารู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรการจะเดินสติสืบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเต้าเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นเห็นความยึดในใจิตในใจเกิดขึ้นเห็นมั้ยพอมีความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บ รู้เลยว่าอีเราเสื่ยงอีกแล้วเห็นไหมล้วจะไม่โทษสิ่งข้างนอกเลยตั้งแต่วันนั้นมาเราปฏิบัติธรรมเหมือนเรามีตัวคนเดียวอยู่บนนุ่เราไม่เคยโทษว่าคนนั้นทําให้เราผิดทําให้เรารู้สึกไม่ดีเราไม่เคยโทษว่าคนนี้ทําให้เราทุกข์ไม่โทษสภาพดินฟ้าจาดไม่เคยโทษเลยแล้วจะเห็นว่าทุกเกิดับทุกเดับเพราะนั้นเห็นไหมทุกเกิดขุ้นพวกมันจะทํากันอย่างรวดเร็ว พอมันทันปุ๊กแล้วมันก็จะตัดลงอย่างรวดเร็วถ้ามันรู้แล้วว่าเราเป็นเฉยอีกแล้วเห็นไหมมันหยิบปุ๊กมันวางมันหยิบปุ๊กมันวางจนสติมีกําลังมากขึ้นเพราะสติมีกําลังมากขึ้นอีกมันจะเห็นก่อนที่มันจะไปหยิบด้ใช่ไหมมี่ะมันมันถ้ามีกําลังสติเยอะขึ้นไปนั้นนี่คือมันเห็นเฉยเฉยแล้วใช่ไหมครับใช่มันจะเห็นเฉยเฉยมันจะเข้าไม่ไม่เข้าไปหยิบเลยปุกจึงไม่ปรากฏขึ้นเห็นไหม ในเมื่อไม่หยิบแล้วจะวางอะไระเี่ยนวดใอาศัยกาลังของสติเป็นบาทฐานนะปัญญาคือผลความเสลียวลาดในการไม่ทุกข์นี่นแหละคือปัญญาใช่มมีความกระตัมยูตัวเองคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนคือไม่ทำให้ตัวเองเทุกข์เนี่ยนี่เรียกว่าปัญญาคือความเฉียฉลาดมันเกื้อคูณกันไปศีลนยก็เกือ้อกูณสมาธิ มีศีลใจจริงบริสุทธิ์ไม่มีความขุนเคืองใจไม่ต้องระแวงแคลงใจเห็นไหมไม่มีความกังวลใจนั่นแหละคือศีลพอไม่มีความกังวลใจเวลาปฏิบัติการจเจริญสติการฝึก ส, สมาธิจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วพอไม่ต้องมานั่งกังวลใจกว่าจะหยุดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันทำมาไม่มีเลยใจเบาสมาธิก็ไปอย่างรวดเร็วเรียกว่าใจบริสุทธิ์ สิ่งจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาสติเนี่ยพอสมาชิกตั้งมั่นเสร็จปุ๊บจึงเห็นสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงเรื่องป่ากด ข, ขึ้นนั่นเรียกว่าปัญญาคือเห็นจริงๆนั่นแหละไม่ได้เ ด, เดาไม่ได้คาดชะมีใครมันก็รู้หรอกว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดมามันต้องจายไม่มีใครไม่รู้หรอกรู้หมดแต่ทำไมมันวางไม่ได้น่ยเพราะมันเป็นความรู้ของสมอง มันไม่ใช่ความรู้ของจิตใครก็รู้ร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามใครก็รู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกคนที่ได้ยินเในตอนนี้มันรู้หมดแหะเห็นไหมท่าหมายเอาการพิจารณาสุภาพแล้วบนรุธรรมนะมันเป็นเพียงแค่ปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นเองคือมันเตาที่มันเย็บว่ามันสวยเนี่ยเราลองคิดให้มันเห็นสิ่งอีกมุมนึงว่ามันไม่สวย เห็นไหมพอมาได้ยื้อกันบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าสมาทิเป็นปัญญาพื้นฐานหมายถึงเอาทำครูมาแก้ก่อนใช่เอาความเห็นแก้ความเห็นเอาความเห็นถูกแก้ความเห็นผิดเห็นไหมเอาความเห็นแก้ความเห็นนั้นนั้นที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นปัญญาพื้นฐานเป็นสมาธิฏี่เบื้องต้นจนเข้าไปถึงปัญญาสูงสุดคือเห็นตามความเป็นจริงมาอย่างนั้นไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพราะรู้แล้วว่าการปรุงแต่งนั่นแหละ มันยึดแล้มันจึงปรุงแต่งเข้าใจไหมยกตัวอย่างการปรุงแต่งเป็นอย่างไงเห็นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันไม่เห็นเฉยๆมันไม่เห็นเฉยๆบางคนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยเห็นคูบาเนี่ยเห็นกิริยาเดียวกันคำพูดเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนอิจฉาหช่ไหมบางคนอีกกลับว่าหูคูบ้านเทพใช่ไหม ท่านพูดได้ฉาดฉานบางคนตัน้มมิถ้าอะไรไม่สํารวมเนี่ยเห็นไหมเห็นเหมือนกันนะทำไมไม่เหมือนกันเพราะมันปรุงแต่มันจะปรุงแต่งไปทางดีแล้วไม่ดีแค่นั้นเนี่ยนี่แค่สองทางนี้มันจะปรุงต่อไปได้ไใครที่ปรุงไปทางดีก็ถือว่าโวกดีไปอย่างน้อยก็ได้ความสุขใครที่ปรุงไปทา ง, ทางไม่ดีมันก็ทุกข์ไปไนขนความันคือสุข ก, กับทุกข์แค่นั้นเรื่องความสุข ก, กับความทุกข์จึงเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเห็นไหม ความสุข ก, ก็เป็นเรื่องของความคิดความทุกข์ก็เป็นเรื่องของความคิดใครที่ออกจากความคิดได้เมื่อไหร่จึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเข้าถึงความเป็นอิสระจากการปรุงแต่งไหเข้าถึงสภาวะเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉยฟังเฉยเฉยรู้เฉยเยไม่ให้มันสั้นไม่ให้มันยาวไม่ให้มันใหญ่ไม่ให้มันเล็ก มันเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเห็นต้นไม้ก็เห็นว่าเป็นตไม้แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้เห็นว่ามันเล็กหรือมันใหญ่พเพราะมันไม่ได้อาไรเชื่อกับสิ่งใดดีก็เห็นว่าดีนะั่นแหละชั่วก็เห็นว่าชั่วนะั่นเข้าใจไหมคาว่าเห็นเฉยๆนะไม่ได้มีการปรุงแต่งให้มันดีหรือไม่ดีคือไม่ยึดแล้วมันจิงจักแต่ว่ารู้เท่านั้น รู้ด้วยว่ารู้อะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่ปรุงต่อไม่มีสังขารในการที่ปรุงต่อเนี่ยถึงเรียกว่าเข้าถึงธรรมบุรีสุเข้าใจไห ม, มหมดเวลาแล้วใช่สองนาทีแล้วปาดก็พูดระเดียบหมดแล้วเนี่ยกำลังมาอยอกว่ารอบหร้บเอ้า นี่แหละมวยมันมันตอนท้ายต้องแย่หน่อยมันนึกเหมือนเราคุยกับพระนะเราคุยกับพระนี่เราเราไฝตั้งแต่ยกแรกเลยนะมันน่ะนี่มันต้องมีกระแสเข้ามาต้องมันต้องเข้าร่องมันแทนมันจริงไม่เคยดุกเข้าร่องเลยมันต้องเข้าร่องมันเอาก็ามหวังว่าจะได้ประโยชน์นะผู้ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้ท่านโดยที่ที่นิสิจารณาตามกําลังความสามารถ สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็เก็บไปสิ่งไหนที่มันไม่อะเลไม่อร่อยก็อย่าไปกินมนะันเลือกขับสาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านะั้นอย่าโ ง, ง่หยิบเอาสิ่งที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ไปจงเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการวางใจขอให้มีสติกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเท่านั้สาธุ